หัวข้อที่จะคุยกันก็คือเห็นสักแต่ ว, ว่าเห็นนะค ะ, อ, ะอย่างนั้นการเห็นมันเริ่มต้นด้วยการเห็นตัวเองก่อนค่ะระอาจารคื อ, ค, อคือการที่เห็นตัวเองเนี่ยมันเหมือนกับว่าคือถ้าไม่เห็นตัวเองนะโยมลองดนูนะสมมติว่าเนี่ยตอนนี้มีตัวเราเนาะเราเห็นคนเดินอยู่อยู่อยู่นอกบ้า น, นพอเห็นคนอื่นอยู่นอกบ้านปั๊บเนี่ย ถ้าไม่เห็นตัวเองเนี่ยมันจะทำให้ว่ามีเราเป็นผู้เห็นคนที่เดินอ่ะมันจะทำให้เป็นเหมือนกับว่าเป็นความรู้สึกหรือเป็นความเข้าใจเือว่าเราเนี่ยเป็นคนเห็นคนที่เดินมาอ่ะแต่ถ้าพอเห็นตัวเองปับ๊บเนี่ยมันก็จะแยกเป็น2ขึ้นมาก็คือสิ่งที่อ่า um, หมายถึงว่าคนที่เดินอ่าผ่านมาเนี่ยอันนั้นก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งแล้วตัวเราผู้ยืนมองเนี่ยมันก็เป็นอีกสิ่งหนึ่ง แต่สภาพธรรมะที่เห็นเนี่ยมันไม่ได้เป็นสิ่งไหนนะมันไม่ได้เป็นคนที่เดินแล้วก็ไม่ได้เป็นคนที่ที่มองไม่ออกไหเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่กลับมาเห็นตัวเองนี่แหละมันจะทำให้อ่สลัดความหลงผิดบางบางอย่างออกไปนะอย่างเมื่อกี้ที่หลวงพ่อพูดถึงเห็นรูปเนี่ยเห็นรูปเดินเนี่ยเนี่ยก็เรียกว่าเห็นตัวเองพอพอเห็นรูปเดินปั๊บเนี่ยก็เท่ากับว่ารูปเนี่ยเป็นสิ่งถูกเห็นนะ แล้วก็อพอสภาวะระหว่างเดินไปมันก็มีความคิดผุดขึ้นมานะความคิดก็เป็นสิ่งถูกเห็นแล้วตรงนี้มันก็สามารถแยกได้ระหว่างว่ารูปกับความคิดมันก็เป็นคนละสิ่งกันแต่การเห็นเนี่ยสภาพเห็นเนี่ยมันก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งซึ่งไม่ใช่รูปและก็ไม่ใช่ความคิดเห็นไหมพอแยกอย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ยการเห็นนี่แหละมันจะทาให้สลัดคืนคือทาให้หลุด หลุดพ้นมาจากทุกสิ่งที่ที่ไปรู้ที่ไปเห็นมาเช่นสมมุติเราไปเห็นทุกทุกคือความไม่สบายใจหาใจปั๊บมันเกิดขึ้นมาก็เห็นแล้วเห็นแล้วแล้วก็พอเห็นแล้วเห็นไหมมันก็จะแยกออกมาว่าอ๋อสภาพเห็นมันก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งความไม่สบายใจก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งไอการที่มันมันแยกอย่างเนี้ยมันทําให้หลุดคือไม่ติดไม่ยึดมันเป็นความหลุดเป็นความพ้นออกไปเพราะฉะนั้นถ้าเห็นบ่อยๆ เห็นตัวเองบ่อยๆมันก็จะหลุดพ้นจากรูปจากรูปจากนามนะแต่ถ้าไม่เห็นตัวเองมัวแต่เห็นคนอื่นมันก็เข้าไปเป็นรูปหมายถึงว่าหมายถึงว่ามันจะไปยึดรูปยึดนามเนี่ยมาเป็นตัวตนว่าเป็นเรานะเป็นเราเพราะฉะนั้นถ้าเพิ่มความเพียรให้เห็นตัวเองบ่อยๆก็จะทําให้มันจะหลุดออกมาจากรูปออกจากนามก็เป็นความหลุดพ้นคือไม่ทุกข์เลย แล้วก็สภาพธรรมะเห็นก็ไม่เคยมีทุกข์เพราะว่ามันมันได้แต่เห็นมันไม่ได้เป็นทุกข์แต่มันเห็นทุกข์ได้มันเห็นสุขได้แต่สภาพเห็นก็ไม่ได้เป็นอะไรมีแต่เห็นแจ้งอยู่อย่างเงี้ยเห็นแจ้งเห็นแจ้งเห็นแจ้งก็ไม่ไม่ทุกข์อะไรเลยพ้นทุกข์เลยจืิงจริงมันก็ถ้าพูดเนาะเวลาเราพูดมันแล้วแต่ เหตุการณ์การเวลาหรือว่าเหตุการ์บางครั้งใช้คำว่าเห็นบางใช้บางครั้งใช้คำว่ารู้แต่ถ้าอนุโลมกันนะหลวงพ่อก็ยังมีความเห็นว่ามันก็ใช้ได้ทั้งคู่แบบอนุโลมเหมือนเนาะแต่ถ้าถ้าถ้าแบบเหตุการ์ออย่างสมมตินะถ้าสมมติเหตุการ์นะสมมติว่าสมมติตอนนี้หลวงพ่ออยู่อยู่ที่กนะุดเนาะหลวงพ่ออยู่ที่กุดแล้วก็มีคนเดินมาห า, หาหลวงพ่ออย่างเงี้ย หลวงพ่ออาจจะใช้คําว่าหลวงพ่อเห็นเขาเดินมาใช่ไหมเห็นนะ<ช>มันมชัดเจนเหมือนกับว่าชัดเจนคือชัดเจนในเรื่องของการเห็นหลวงพ่อก็ใช้คําว่าอ๋อเห็นเขาเดินมาเนาะแต่ถ้าถ้าสมมติว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในตัวในตัวเองเนาะในตัวมีความเจ็บความปวดเนี่ย<ช>มันรู้นะเวลาเจ็บเนาะหรือว่าเวลามีทุกข์มีสุขเนาะมันใช้คําว่ารู้ก็ได้ว่ารู้นะเนี่ยมีทุกข์และมีสุขและรู้นะเนี่ยเออมันก็อาจจะใช้คําว่ารู้ก็ได้ แต่ทั้งรู้<ๆ>ทั้งเห็นหลวงพ่อก็เออหยวนหวนกันภาษาอย่าไปเคร่งคัดเอย่าไปเนาะแบบให<ช>้มันเข้าใจได้ก็แล้วกันเพราะว่าสิ่งพวกนี้มันเป็นคําสมมุติไงว่าคําว่าเห็นที่เราพูดนี่คือคําสมมุติ น, นี่ย<ๆ>แล้วมันมีความแตกต่างกันมากนะอย่างที่รู้ว่าความแตกต่างมันมันต่างกันริบลับเลยฟ้ากับดินเลยก็กรณีเช่นสมมติว่าเราไปกันสมมติว่อาสี่ห้าคนเนาะห้าคนมีเพื่อนเราสี่คนแล้วเราหนึ่งคนรวมเป็นห้าพอพอเข้าร้านปั๊บ คนในร้านถามว่าเอ้ามากันกี่คน <c oughs> เขาบอกว่าสี่คนนะไอ้สี่คนเนี่ยตอนนั้นมันลืมตัวเนาะแล้วความร <c oughs> ู้สึกในขนาดนั้นเนี่ยเหมือนกับว่ามันเป็นสี่คนจริงๆแต่ <c oughs> ไม่เห็นตัวเองแต่พอ <c oughs> บอกว่าเออห้าคนพอห้าคนปั๊บเนี่ยตัวเองมันจะเป็นตัวเราเนี่ยจะเป็นสิ่งถูกเห็นขึ้นมาทันทีเลยค่ะไอการที่ตัวเราเป็นสิ่งถูกเห็นนี่แหละมันจะทําให้เกิดการแยกระหว่างระหว่างอะไรละ่ะแยกคือ คือถ้าไม่เห็นตัวเราเนี่ยมันไม่มีการแยกเลยมันเข้าไปเป็นเลยอะแล้วก็มันยังไม่เห็นอีกนะแต่ถ้าเห็นตัวเองปั๊บความรู้สึกว่าเออมันมันมันแยกออกมาว่าตัวเราก็เป็นสิ่งถูกรู้หรือถูกเห็นเนี่ยมันมันชัดเจนตรงนี้เพราะฉะนั้นการที่รู้ตัวเองหรือว่าเห็นตัวเองนี่แหละคือความหลุดพ้นแต่คนก็ไม่เข้าใจว่ามันหลุดพ้นได้ยังไงเพราะว่าปัญญาหรือว่าการแยกนี่มันยังไม่คมชัดยังไม่แจ้งไง แต่ถ้าผมนชัดแจ้งเมื่อไหร่มันจะรู้เลยว่าการที่รู้ตัวเองนั่นแหละคือหลุดพ้นในขณะที่รู้ตัวเองหรือว่าขณะที่เห็นตัวเองมีคําพูดนี้บอกว่าเนี่ยก็เราเห็นตัวเองไอเราเห็นตัวเองเนี่ยมันยังไม่เห็นเราไอตัวหลังเห็นเราเลยมันเห็นตัวหน้าเอาพายตัวหน้าเนี่ยคือเป็นสิ่งถูกเห็นเนาะแต่มันมีเราตัวหลังว่าเราเห็นตัวเราคือมันยังไม่เห็นไอเราตัวหลังเดี๋ยวพอพูดอย่างนี้โยมก็งงอีกทำไมมีตัวหน้าตัวหลังอีก คือมันซ้อนกันไงความเป็นตัวเราเนี่ย ม, มันซ้อนขึ้นมาเรื่อยๆเนาะมันซ้อนแต่แต่ไม่ไม่เห็นอืเดี๋ยวหลวงพ่อจะยกตัวอย่างยังไงนะสมมติว่าอ่ะสมมติว่าเออเราเราเดินเราเดินสองคนนะดโยมลองออนึกภาพดูมีมีตัวโยมก็ได้อะตัวโยมรวมตรงนึกภาพถึงตัวโยมเนาะว่าโยมมีอ่าเดินเดินเดินไปข้างหน้าเนี่ยมีมีเพื่อนเดินหน้าเราเดินหลังเนาะ แล้วเราเนี่ยก็รู้ว่าเพื่อนอยู่ข้างหน้าแล้วเราเนี่ยเดินข้างหลังนะไอ้ตรงเนี้ยมันเห็นแค่แค่สองคนเองก็คือเพื่อนที่เดินข้างหน้าแล้วก็มีมีตัวเรามันก็มีมีสองนัสองตัวแต่ทีนี้ไอ้สองตัวแบบเนี้ยนี่ยังไม่เห็นตัวเองนะเนี่ยแต่ถ้าเห็นตัวเองเนี่ยมันจะมีอีกเห็นหนึ่งที่มาเห็นตัวเรา <Gracias S 1> <bart ender> มันมีอีกเห็นหนึ่งว่ามีตัวเราเนี่ยเดินข้างหลังเดินตามหลังเพื่อนอยู่ เนี่แล้วก็ไอเห็นที่ตัวหลังเนี่ยมันพ้นไปจากความเป็นตัวเราเพราะว่าเป็นญานนะเนอะเออจะเรียกก็เป็นยานก็ได้เป็นยานรู้ยานเห็นแต่ตัวเราที่เดินตามหลังเพื่อนเนี่ยมันก็เป็นแค่สิ่งถูกเห็นขึ้นมาค่ะนี่หลวงพ่อพูดแบบนี้ถ้าถ้าถ้ามันเห็นเลยนะมันมันเข้าใจเลยเนี่ยว่าเราออกไม่งั้นมันจะซ้อนกันเวลอธิบายเนอะเออเพราะว่าเวลาอธิบายบางครั้งเราใช้คําว่าเราเห็นเราแต่งนี้มันก็ยังดีเราหลวงพ่อก็เลยบางที การหลงก็บอกว่าเออมันมีธรรมชาติ อ, อีกอีกอีกสิ่งหนึ่งนะงที่มาเห็นตัวเราเ อ, อแล้วมันมันยากอะไรเราหลวงพ่อก็ยกตัวอย่างบ่บอกเอาเวลาไปไปไปเข้าใน อ, อ่าไ อ, อ, อ, อกลุ่มม็อบอ่ะเนาะกลุ่มม็อบคนเยอะใช่ไหมละ่ะอืมคทีนี้ถ้าไม่ลืมตัวเนี่ยมันก็จะเห็นตัวเราอีกตัวหนึ่งว่าไอตัวเราก็เหมือนกับตัวอื่นๆเนี่ยที่อยู่ในม็อบอ่ะแค่นี้ก็เห็นง่ายนะโอ้มีตัวเราอยู่ด้วยในม็อบ ไอ้ที่รู้ว่ามีตัวเราเ น, นั่นแหละไอ้ตัวนี้มันเป็นรู้ที่ที่พ้นไปจากตัวเรากลายเป็นว่าไอ้ตัวเรามันก็เป็นจริ ง, รงๆก็คือเป็นรูปน้ำเป็นตัวปลอมอ่ะเป็นของที่เกิดแก่เจ็บตายแต่ธรรมชาติที่รู้ตัวเราเนี่ยมันพ้นมันพ้นไปแล้วพ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายพ้นจากรูปจากนา้ำคือมันมันไม่มีทุกข์แหละตัวนั้นอนะ่ะมันไม่มีตัวค่ <c oughs> ทีนี้หลวงพ่อเพิ่มเติมกนได้นะในส่วนภาคปฏิบัติเนี่ย คือพวกเราก็ได้ยินมาเยอะว่าเมื่อเห็นก็สักแต่เห็นเนาะแต่พอภาคปฏิบัติเนี่ยเช่นสมมติว่าเห็นอะไรนะสมมติว่าเห็นเห็นคนเดินผ่านมาเนาะพอเห็นคนเดินผ่านมาปั๊บเนี่ยตัวเราก็ทําตัวเป็นประเภทว่าไม่ให้คิดไม่ให้นึกเหมือนกับว่าทําให้มันสักแต่เห็นโยมดูพฤติกรรมของออกไหมว่ามันมีการปรุงแต่งมีการเขี่ยวเข็นบังคับตัวเองที่จะว่าให้สักแต่เห็นตามที่พระสูตรเขาว่า อย่างนี้ผิดหมดเลยมันผิดตรงไหนเราก็มีตัวเราไปยุ่งไปแทรกแซงไงไปปุงแต่ง <ทะ S 1> ไปบังคับเพื่อให้สักแต่เห็นอันนี้ผิดแต่สักแต่เห็นเนี่ยมันเป็นธรรมชาติซึ่งสักแต่เห็นนะ่ะมีอยู่นะมันมีอยู่อย่างที่หลวงพ่ออธิบายไปแล้วแหละ ว, ว่าไอ้คนที่เดินเนี่ยคนที่เดินมาให้เห็นนะอันเนี้ยมันไม่ใช่เห็นหรอกแต่มันเป็นวัตถุมันเป็นสิ่งสิ่งหนึ่งที่ถูกเห็นแต่เห็นมันเป็นอีกสิ่งหนึ่งซึ่งทําหน้าที่เห็น มันคนละสิ่งกันนะแล้วก็เอาสมมติว่าพอเห็นแล้วนะมันมีความจําได้ใช่ไหมจําได้ว่าอ๋อคนนี้เพื่อนเรานี่สแสดงว่าจําได้แล้วก็บวกกับความคิดเนาะ <c oughs> แล้วก็บวกกับความรู้สึกพอใจที่ได้เจอเพื่อนโอ้มันมาพรึบเดียวนะแต่สักแต่เห็นมันก็ยังเหมือนเดิมอยู่ก็คือสักแต่เห็นว่าเมื่อกี้เนี่ยมันคิดเมื่อกี้เนี่ยมีความรู้สึกยินดีเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นสักแต่เห็นเนี่ยมันก็ยังสักแต่เห็นอยู่ว่า เออมันเกิดอะไรขึ้นที่ ท, ที่ที่เป็นความผิด<ช>แผงเนะ<ช>าะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าตัวเราต้องไปบังคับให้ตัวแข็งชื่อแล้วก็ไอ้สักแต่เห็นนะ ว, ว่าโอยอย่างนี้ใครจะทําได้มันไม่ได้หรอกแล้วก็ <c oughs> ผิดต่งางหาไเอเพราะฉะนั้นสักแต่เห็นเนี่ยมันเป็นธรรมชาติที่มีอยู่แล้วซึ่งซึ่งไม่ต้องทําอะไรเลยเราเนี่ยไม่ต้องไปยุ่งไม่ต้องไปอะไรเลยเขาสักแต่เห็นของเขาอยู่แล้วแล้วก็ไม่เหนื่อยเราด้วยไงเพราะว่าถ้าเราไม่ต้องไปทำเนาะเพราะมันสักแต่เห็นอยู่แล้วนี่ อะไรผ่านมามันก็สักแต่เห็นอะไรเกิดขึ้นเป็นความรู้สึกสุขทุกข์เอาก็สักแต่เห็นไปก็เห็นนี่เห็นเอเวลามันคิดขึ้นมาเอา้าก็เห็นเนี่ยก็เรียกว่ามันไม่ไปร่วมไม่ไม่ไมคือคือมันไม่เข้าไปเป็นกับสิ่งที่มันไปเห็นไงเพราะฉะนั้นสิ่งถูกเห็นมันจะปรุงแต่งไปตามเหตุปัจจัยยังไงก็มันคนละพวกกันห็นชคนละพวกกันแค่เนี้ยแล้วก็จะเข้าใจพอเข้าใจเสร็จแล้วเราจะรู้เลยว่าไอ้สักแต่เห็นเนี่ย มันก็ไม่ใช่ตัวเราเป็นผู้ศักแต่เห็นแต่เป็นธรรมชาติที่มีอยู่เขาเห็นของเขาได้เออาะเขาเห็นของเขาได้เอาตกลงไม่ใช่ตัวเราเนาะการเห็นไม่ใช่ไม่ใช่เราเป็นผู้เห็นแต่มันเห็นด้วยธรรมชาติตัวเราไม่มีเพราะตัวเราไม่มีในขณะปัจจุบันเนี่ยขณะที่ศัก์แต่เห็นเนี่ยอันนี้ตัวเราไม่มีแล้วก็ เมื่อไม่มีตัวเราในโลกนี้ใช่ไหมโลกหน้าเนี่ยโลกพบหน้าชาติหน้าเนี่ยก็ไม่มีตัวเราอยู่ดีโลกไหนๆระหว่างโลกทั้งสองก็ไม่มีตัวเราเมื่อไม่มีตัวเราไม่มีตัวเราไม่มีตัวเรานี่ไงคือที่สุดแห่งทุกข์คือนิพพาน <c oughs> นิพพานเลยง <c oughs> ั้นทำงำเข้าใจตรงนี้ไม่ยากหรอกพระพายะเนี่ยปัญญามากเนี่ยพอพระพุทธเจ้าบอกว่าอ๋อเมื่อเห็นก็สักแต่เห็นพระพายะเข้าใจเลยคือแล้วก็ ไม่ไม่อุปาทานในขันห้าคืออาสวัตต่างๆดับหมดเลยคือเข้าใจแจ่มแจ้งเลยว่าไม่มีเราแต่การเห็นมีอยู่การได้ยินมีอยู่แต่ไม่ใช่เราเป็นผู้เห็นไม่ใช่เราเป็นผู้ได้ยินคือตัวเราไม่มีเราไม่มีแค่เนี้ยท่านก็บรรลุเป็นพระอระหันต์เลยอะ<ม>่ะเนี่ยพอกล่าถ้าฟังเข้าใจนี่มันบนรรลุธรรมเดี๋ยวนี้ได้เนยว่าอ๋อสักไปเห็นอ๋อมันมันเป็นธรรมชาติที่มีอยู่แล้วไม่ใช่เราเห็น จะทำเนี่ย ม, มันพูดตรงไม่ได้ไงต้องต้องอุ ป, ปมาเนาะเพราะว่าไปเป็นพูดในสิ่งที่มี น, นี่มันไม่ปรากฏเป็นสิ่งที่ไม่มีเนี่ยไม่รู้จะพูดยังไงก็เลยแค่อุ ป, ปมาใ ห, ให้เทียบเคียงเอาประมาณนั้นตั้งแต่เช้านะหลวงพ่อก็ไม่ย้อนหลังมากตั้งแต่ตื่นนอนมาตั้งแต่เช้าวันนี้เห็นไม่รู้กี่อย่างแล้วเห็นบางทีเห็นนอกตัวนะถ้าเห็นนอกตัวเนี่ยเขาเรียกว่านอกเส้นทางคือไม่ให้ทางเพื่อความพ้นทุกข์ แต่มันก็อาศัยแบบโลกๆเนี่ยที่ชาวบ้านทั่วไปก็เห็นข้างนอกกันเนาะแต่ทางพ้นทุกคือกลับมาเห็นตัวเองหรือว่ารู้ตัวเองเมื่อรู้ตัวเองตัวเองก็จะเป็นสิ่งถูกรู้ถูกเห็นแต่ผู้เห็นไม่มีผู้เห็นไม่ปรากฏตัวเพราะผู้เห็นเนี่ยมันเป็นธรรมชาติมันทำหน้าที่เห็นอย่างเดียวมันไม่ได้ทำหน้าที่เป็นทุกข์เป็นสุขหรือเป็น อ่ะเป็นเดินเป็นนั่งเป็นนอนเป็นยืนไม่ใช่เพราะไอเดินยืนนั่งนอนนี้เป็นกิริยาที่ถูกเห็นเนาะการพูดการคิดก็เป็นกิริยานะที่มันเป็นเช่นนั้นแต่การรู้การเห็นไม่ได้พูดไม่ได้คิดมันได้แต่รู้ได้แต่เห็นนะเพราะนั้นแล้วก็เวลาในตัวเราเนี่ยที่ว่าในตัวเราเนาะมีมีสุขมีทุกข์ก็เป็นสิ่งถูกรู้เป็นสิ่งถูกเห็นแต่ การรู้การเห็นไม่ได้มีทุกข์ไม่ได้มีสุขด้วยดังนั้นถ้าเข้าใจเรื่องรู้เรื่องเห็นให้ดีๆแล้วก็จะเข้าใจเลยว่ามันพ้นทุกข์มันอยู่ที่ตรงนี้แหละพ้นทุกข์อยู่ที่การเห็นหรือการรู้เนี่ยรู้อะไรก็ไม่ไปเป็นกับสิ่งนั้นนะ่ะหลวงพ่อคำเขียนเนี่ยค่ายอาจารย์พระอุปัชฌาย์หลวงพ่อท่านบอกว่าการเห็นทุกข์นั่นแหละคือพ้นทุกข์เห็นไหมคําคำนี้เห็นทุกข์คือพ้นทุกข์เมือเคค่อ ก, ก่อนใครจะแปลได้หรอพระแปลว่าอะไรเนาะ เป็นทุกก็คือพ้นทุกก็คือทุกก็เป็นทุกทุกก็คือส่วนทุกขไปแต่การเห็นเห็นเนี่ยสภาพธรรมะที่เห็นเน่ยมันไม่ได้ทุกด้วยมันเป็นสภาพธรรมะคนละอย่างกันเมื่อนั้นเมื่อเห็นทุกมันก็พ้นทุกโอ้ยสาธุจริงๆเหนื่ยแจ่มแจ้งนี่แหละทําให้เจ้าชายเศรษฐาเป็นพระพุทธเจ้าอ่ะเราบางทีเนาะคือมันก็กิเลสอะเนาะไม่อยากจะเห็นทุกไม่อยากจะเจอทุก แล้วก็หนีทุกข์กลบเกลื่อนโดยไปเที่ยวฟังเพลงดูหนังไปโอ้ยไปกลบเกลื่อนหมดเลยแต่สุดท้ายมันหนีไม่พ้นหรอกเพราะวันทุกข์มันมีอยู่กับกายกับใจอ่ะเนาะอเพราะฉะ น, นั้นถ้าเราให้เกิดปัญญาให้รู้แจ้งในทุกข์เนี่ยให้ก็เรียกว่าอย่าหนีอย่าหลบก็รู้เข้าไว้แค่รู้เนี่ยไม่ต้องไปยุ่งไม่ต้องไปดับไม่ต้องไปไปสู้รบกับอะไรมันหรอกแค่รู้แล้วก็เห็นความจริงของทุกข์ว่าอืมทุกเนี้ยไม่เที่ยงเนาะมีความเกิดแล้วก็ดับไป มีแล้วหายไปทุกเนี่ยไม่ใช่เราอหมทุกไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นร่างกายเกิดมามันก็มีทุกแต่ก็ไม่ได้พระพุทธเจ้าบอกว่าเอออย่ายึดอย่าหลงยึด อ, อ่าอย่าเข้าไปยึดก็แค่รู้พอแค่รู้พอไม่ต้องไปเป็นไม่ต้องไปยึดถือก็แค่รู้ใช่เพราะนั้นอ่ะเนี่ยสิ่งที่เพียร น, นี่แหละก็เพียรรู้ทุกนี่แหละเพียรรู้ทุกเกิดรู้ทุกดับรู้รู้รู้ ร, รู้หรือว่าเห็นก็ได้อาใช้ร่วมกันได้ ทุกเด็กก็เห็นทุกดาวก็เห็นการรู้การเห็นนี่แหละคื อ, คอ พ, พ้นจากสิ่งนั้นๆอถ้าสมมติว่าในเมื่อไม่มีเรานะคะพระอาจารย์ในเมื่อไม่มีเราแล้วเนี่ยคำว่าเห็นสัก์ว่าเห็นเนี่ยมันก็ไม่ใช่ของเราแต่ว่ามันก็เป็นของสิ่งหนึ่งที่มาเห็นเราน่าจะเป็นลักษณะการของสิ่งหนึ่งที่มาเห็นเราคือเห็นสักแต่ว่าเห็นอย่างนี้ นไ่ได้นี่คระอาจารย์ธรรมชาติเห็นมันก็เป็นธรรมชาติก็คือไม่ใช่เราอยู่แล้วเนาะแล้วคําว่าให้เห็นเราเนี่ยคําว่าเราเนี่ยอันนี้เป็นคําสมมติสื่อสารกันเพื่อเพื่ออะไรบ่งบอกถึงว่าคําว่ารู้เราเนี่ยคือกลับมารู้ขนันห้ากลับมารู้ที่ตัวเองตัวเองก็คือเนี่ยเนี่ยที่เรียกว่าฉันหรือเธอเอ้ยหรือผมหรืออะไรเนี่ยนะไอ้เนี่ยเออเนี่ยนะ เ, เป็นคําสรรพนามคือให้กลับมารู้ตรงนี้แต่ถ้า มัวแต่รู้เช่นมัวแต่รู้ยูรู้รู้ยูก็คือรู้รู้คนอื่นเนาะอันนั้นแหะอันนั้นเขาบอกว่ามันไม่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกต้องกลับมารู้รู้รู้ไอรู้รู้ไอก็คือรู้ตัวเองนี่แหละเพื่อจะเห็นว่าตัวเองเนี่ยมันมันไม่ใช่ตัวเองมันเป็นแค่ขันห้าเออมันเป็นแค่รูปนามนะแล้วก็เมื่อเห็นแล้วก็รู้ว่าออรูปนามเนี่ยมันมีความแปรปวนอย่างที่หลวงพ่อพูดซ้าๆอะว่าเออมันไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาเนาะ แล้วก็อย่าหลงไปยึดว่าเป็นเราอีกก็แค่รู้แค่รู้อยู่อย่างเนี้ยเพราะฉะนั้นธรรมชาติรู้จริงๆมันก็เป็นธรรมชาติก็ไม่ใช่ตัวเราอยู่แล้วธรรมชาติเห็นก็เป็นธรรมชาติที่ทําหน้าที่เห็นก็ไม่ใช่เราไม่ใช่เราอยู่แล้วแล้วไอ้คําว่าเราเนี่ยอันนี้ก็ไม่ใช่เราอยู่แล้วเออเพราะฉะนั้นเมื่อเมื่อเป็นอย่างนี้ทั้งหมดเห็นไหมจะพบว่าไม่ว่าทั้งผู้ไม่ไม่ว่าธรรมชาติเห็นหรือธรรมชาติรู้ กับธรรมชาติที่ถูกเห็นถูกรู้รวมแล้วทั้งหมดทั้งสิ้นไม่มีเราในสิ่งนี้เลยพอไม่มีเราเนี่ยเขาเรียกว่าว่างจากตัวตนว่างจากตัวตนเมื่อว่างจากตัวตนแล้วใครจะทุกข์อ่ะเมื่อเราไม่มีก็ไม่มีเราทุกข์แต่มีแต่สภาพธรรมะที่มันแปลเปลี่ยนไปเป็นเช่นนั้นเองแกนี้มันก็พ้นทุกข์ไปเลยเพราะนั้นการพ้นทุกข์เนี่ยคือมันเรื่องของปัญญาเนาะปัญญาคือเข้าใจธรรมชาติมันไม่ใช่ว่าต้องไปสู้รบ กับอะไรกับอะไรหรือต้องผลักไสกับอะไรไม่ต้องเลยเนี่ยเป็นแค่ปัญญาที่เข้าใจแล้วว่า ม, มันไม่มีเราเลยนะในโลกนี้ในธรรมชาติทั้งหมด ม, มันไม่มีเรามีแต่ธรรมชาติที่มันเป็นอย่างนั้นเอง เ, ออเนี่ยคือเป็นเรื่องของปัญญา <c oughs> เนี่ยถึงบอกว่าผู้มีปัญญามากเนาะฟังเพีบเดียวเข้าใจเลยเนาะผู้ผู้มีปัญญาลดหลังกันไปก็ต้องฟังหลายรอบแล้วก็เพียรเพียรู้เพียรศึกษาเพื่อ ให้เกิดปัญญาคือเกิดความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้ง ừ. แล้วปัญญาเนี่ยมันอยู่เหนือความคิดความปรุงแต่งทั้งหมดแหละออแต่เบื้องต้นก็คืออาศัยความคิดอาศัยอะไรไปแต่เมื่อมันเป็นปัญญาที่มันเป็นปัญญาวิมุตต์จริงๆอ่ะมันมันไม่ต้องคิดเลยเพราะว่ามันเป็นมันแจ่มแจ้งไปแล้วมันเห็นแจ้งไปแล้วเห็นแบบแจ้งไปแล้วไม่ต้องคิดอะไรไงค่ะ ข, ขอบคุณอาจารย์ค่ะอที่คุยมาทั้งหมดก็อย่าลืม ปัจจุบันขณาเนาะก็คือรู้ตัวรู้ตัวที่กําลังพูดกําลังคิดกําลังขยับเนี่ยกําลังขยับเนี่ยกายขยับกายเคลื่อนไหวเนาะกายเคลื่อนไหวปากเคลื่อนไหวเนี่ยตืยนนนย่นน้าลายกับพิษตาอ้าปากเนี่ยตรงนี้เป็นสิ่งที่ต้องฝึกเพราะว่ามันเป็นอุปกรณ์ในการฝึกฝึกฝึกให้มีเขาเรียกว่าให้มันตื่นรู้ตื่นรู้กับกายเคลื่อนไหวนะกายเคลื่อนไหวเนี่ยเดินยืนนั่งนอนมันเคลื่อนไหวตลอดแล้วก็ สังเกตมันรู้มันขณะที่รู้อย่างนี้เนี่ยเาเรียกว่ามันตื่นรู้แล้วแหละตื่นรู้ไปแล้วก็ต่อมาก็เห็นจิตใจมันคิดมันนึกหรือว่ามีอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในจิตในใจเนาะทั้งที่ถูกใจไม่ถูกใจทั้งหมดทั้งสิ้น่ะที่มันปรากฏก็คือรับรู้มันรับรู้มันรับรู้มันแล้วก็เพื่อให้เกิดการตื่นรู้เมื่อก่อนมันไม่ตื่นรู้นี่มันมันไม่รู้มันไปรู้ตรงไหนแบบนี้ก็มา ให้มันตื่นรู้พอตื่นรู้เสร็จแล้วเนี่ยมันก็พัฒนาทางจิตเองแหละว่าคือการตื่นรู้แบบเนี้ยมันก็ทำให้เห็นความจริงของกายของใจว่ามีความแปรปรวนนะมีความไม่เที่ยงเออแล้วก็เห็นอาการทางจิตใจก็มีความแปรปรวนมีความ <c oughs> ไม่เที่ยงไม่คงที่นะตรงเนี้ยมันก็ได้เห็นทั้งความจริงที่ที่เป็นสิ่งถูกรู้ว่าอ๋อทั้งกายทั้งจิตมันก็มีความไม่เที่ยง แล้วก็พร้อมๆกันนั้นก็ได้พัฒนาจิตรู้พัฒนาจากจิตไม่รู้ให้มันเป็นจิตรู้เสเมื่อเป็นจิตรู้แล้วมันก็จะเกิดการรู้แจ้งนะเห็นแจ้งขึ้นมาว่าทั้งกายทั้งจิตมันแสดงความไม่เที่ยงให้เห็นก็รู้แจ้งเห็นแจ้งหลุดท้ายก็เห็นแจ้งรู้แจ้งจนไม่ไม่รู้จะยึดอะไรได้เพราะว่ามันเข้าใจด้วยปัญญาว่าทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นแค่เป็นธรรมชาติไม่มีเรา เนี่วัะนั้นเนี่ยจะคุยอะไรก็คุยไปเถอะแต่สุดท้ายนี่อย่าลืมตรงนี้อย่าลืมกายอย่าลืมจิตใจนะอืมไม่อย่างนั้นเนี่ยมันมันลืมลืมตัวต <c oughs> ลืมกันบ่อยๆแล้วก็เวลาเวลาจริงๆถ้าชานาญเนี่ยระหว่างคุยเนี่ยระหว่างสนทนาเนี่ยมันก็ฝึกได้อยู่แล้วแหละแต่ทีนี้ถ้าเรา อ, อยังไม่ชํานาญเรื่องนี้ก็เวลาเราอยู่ส่วนตัวเนาะอะปลี่วิเวกบ้างไม่เข้ามูไม่เข้าคณะ อยู่คนเดียวแล้วก็ไปนั่งฝึกรู้ตัวไปนั่งทํำรูปแบบสมาธิก็ได้จะนั่งดูท้องพองยุบ ก, ก็ได้เพราะมันเห็นอยู่นี่เออแล้วก็หรือจะยังไงก็ได้เนาะแล้วแต่จริตที่ที่รู้สึกทําแล้วเออรู้สึกว่ามันมันมีความสุขมีความพอใจที่จะทะนะํามันเนาะเออก็ไปทําไปเรียนรู้เอาทีนี้เมื่อจานานขึ้นเนี่ยต่อไปมันไม่มีรูปแบบก็คืออยู่ในชีวิตประจำวันกายเคลื่อนไหวก็รู้ได้จิตใจมีความรู้สึกนึกคิด อารมณ์ต่างๆมันก็รู้ได้นะอย่างเนี้ยอย่างง่ายๆเนี่ยหลวงพ่อยกตัวอย่างอย่างสมมติระหว่างเราคุยสนทนากันเนี่ยเวลาหลวงพ่อพูดทีหนึ่งใช่ไหมโยมก็ต้องคิดติดคิดทําความเข้าใจไปด้วยหรือบางทีอาจจะรู้สึกพูดขัดใจมากเลยลาคาญเห็นไหมก็รู้ได้เนี่ยว่าอ๋อมันมีอาการแบบนี้เกิดขึ้นแล้วก็รู้ไปแล้วก็ฟังต่อไปให้มันรําคาญมากขึ้นไปอีกแล้วจะได้ดูความลาคาญใช่ไห ม, มก็ก็รู้มันอ หรือว่ามันอาจจะฟังแล้วรู้สึกเข้าใจชอบมากเลยอะก็รู้ว่าเออมันมีความรู้สึกยินดีนะมีความชอบอยู่ก็รู้เนี่ยฟังไปก็ฝึกไปเนาะแล้วเพราะอาการพวกเนี้มันมันโชว์มันมันแสดงให้ดูอยู่แล้วแหละบางทีเนี่ยความไม่แน่ไม่นอนของมันนะอย่างเช่นอนาทีที่ผ่านมานะสมมติว่าเออฟังแล้วรู้สึกพอใจมากเลยเนาะอยากฟังอยากฟังแต่พอไปสักพักนะึง เบืฟังแล้วเบื่อฟังแล้ ว, อลวพอแล้วเย็นแล้วเห็นไหมมันเปลี่ยนแล้วไงจากพอใจกลายเป็นความไม่พอใจ อ, อมันก็ให้เห็นมันแสดงให้ดูอยู่ก็รู้มันเนี่ยเพราะฉะนั้นการปฏิบัติมันปฏิบัติได้ไม่จํากัดการไม่จํากัดเวลานะปฏิบัติได้ทุกหนทุกแห่งจะอยู่ที่ไหนก็ปฏิบัติได้ปฏิบัติก็คือเนี่ยตื่นรู้สังเกตอยู่ไม่ยากไม่ยากแล้วก็ไม่ต้องไปหวังผลอะไร <c oughs> เพียงแต่รู้ความจริงเรื่อยไปว่าทุกอย่าง มันมีความเปลี่ยนแปลงนะหวังไม่ได้นะไปหวังอะไรไม่ได้หวังจะให้จิตสงบอย่างนี้มีความหวังแล้วเป็นกิเลสเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องหวังหรอกมันเป็นยังไงก็คือรู้อย่างนั้นเลยโยมแบบรู้แบบตามที่มันเป็นเลยเออมันสงบก็รู้ไม่สงบ ก, ก็รู้ฟคงสร้างก็รู้ไม่ฟุคงสร้างก็รู้มีปิติก็รู้ไม่มีปิติโอ้ยรู้ลุกเดียวแต่พืต่พื้นก็คือที่จะถามนี่คือทําไปทํามาชักไม่แน่ใจอค่ะคือ อ, อลองลองเปรียบเทียบตัวอันนี้คือตัวเองนะคะเปรียบเทียบระหว่างไอสติกับกับตัวตัวรู้ที่คิดว่าสภาวะรู้หลุดเหตุอะไรกันเนี่ยคือลองเคยลองฝึกลองเปรียบเทียบมันนะคะก็พบว่ามันต่างกันตรงที่แบบกํากหนดสติไม่ว่าจะแบบเป็นอิริยาบทเป็นลมหายใจอะไรบลาบลาบลาบลก็ตามเนี่ยมันจะเป็นสปอร์ตสปอร์ตแล้วเราก็ค่อยค่อยค่อยค่อ ย, อ ย, อยตาม ตามไอ้ตัวนั้นไปแต่ว่ามันเคยเกิดไอ้ที่เคยเรียนหลวงพ่อสภะไม่หนูไม่ทราบว่าเรียกว่าตัวรู้ที่หลวงพ่อพูดถึงหรือเปล่ามันจะมีความต่างกันต่างกันที่ว่าถ้าไอ้โมเมนต์นี้มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมันเห็นทั้งหมดพร้อมๆกันสมมติวินาทีนั้นเนี่ยมันเห็นพร้อมๆกันมันจะต่างกับสติที่แบบวินาทีนั้นเราเริ่มจับมือสัมผัสแล้ว อ, อ็ลมหายใจแล้วก็กระจายไปอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ประเด็นหนึ่ง แล้วก็อีกประเด็นหนึ่งเน่ยมันเคยมีโมเมนต์ที่แบบมีความแบบว่าเรา <c oughs> เราเห็นไม่รู้เรียกว่าเห็นกระเป่าคือเห็นตัวเองที่อยู่ในห้องแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของห้องที่ที่แบบว่ามีวันที่มันจะแบบว่าเสื่อมสลายไปเหมือนกับโต๊ะเก้าอี้ในห้องอะไรประมาณมันมาแบบแวบแวบอ่ะแล้วก็พอมาแบบแวบบแวบบเนี่ยแล้วก็ตอนหลังๆเนี่มันมาบ่อยขึ้นแต่ว่า พอมันมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีอีอันหนึ่งบอกนี่นี่ น, นี่ในสมองเรานะว่าอุ้ยอยนี่ตัวรู้หรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะคือเลยแบบทําไปทํามาเลยชักจะ ช, ชักจะไม่แน่ใจแล้วว่าเอ๊ะมันใช่หรือเปล่าอะค่ะว่าไอต้ตัวตัวมีอยู่โมเมนต์หนึ่งนะคะที่แบบไอ้สภาวะนี้มันเกิดเนี่ยพอเกิดแล้วเนี่ยความเข้าใจของเราเนี่แบบในสิ่งที่เราเคยอ่านไม่ว่าเป็นเซนหรือว่าเป็นที่หลวงพ่อองค์อื่นเคยสอนมาเนี่ยค่ะมันแบบ เข้าใจทะลุหมดมนะหมายมาเขาว่าอย่างดวงตาเห็นธรรมอย่างเงี้ยเราก็ไม่เคยเข้าใจเอ่อหรือว่าอะไรต่างๆนา น, นาค่ะหลายคําพูดที่แบบเราเคยไม่เข้าใจแล้วเราแบบณโมเมนต์นั้นนะเราเข้าใจหมดเลยอะค่ะประมาณเนี้ยค่ะก็สิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้วเนอะหลวงพ่อจะอธิบายมันก็มันมันก็ยากเหมือนกันเพราะว่ามันไม่มีแล้วไงถูกไหม มันไม่มีแล้วมันดับไปหมดแล้วแต่ว่าได้ผ่านการรับรู้การเห็นมาเห็นไได้ผ่านการเห็นได้ผ่านการเห็นหรือว่าผ่านการรู้มาแล้วแต่อาการเหล่านั้นะที่เกิดขึ้นะมันไม่ใช่มันไม่ใช่รู้หรอกมันเป็นสิ่งถูกรู้ทั้งหมดเลยนะเป็นสิ่งถูกรู้ทั้งหมดเลยแต่ทีนี้ว่าเนื่องจากว่าอาการที่เล่ามาเนี่ยปัจจุบันเดี๋ยวนี้มันไม่มีอยู่จริงเลยไม่มีแล้วเพราะนั้นเนี่ยให้เรากลับมา เพิ่มพูนก็คือรู้ตัวในปัจจุบันรู้ตัวในปัจจุบันก็คือเดี๋ยวนี้ตอนนี้เลยนะเช่นกําลังได้ยินนี่อันนี้ปัจจุบันเลยกําลังได้ยินจริงๆริงพอหลวงพ่อพูดก็ได้ยินพอหลวงพ่อไม่พูดมันก็ได้ยินเหมือนกันนะได้ยินความเงียบหรืออาจจะได้ยินเล็กๆเสียงเล็กๆน้อยน้อยนี่ก็เรียกว่ากํำลังได้ยินอยู่การได้ยินเนี่ยก็เป็นสภาพธรรมะที่มีอยู่จริงส่วนเสียง ก็เป็นสิ่งแค่ถูกได้ยินนะเสียงเนี่ยไม่ใช่การได้ยินนะเสียงเนี่ยเป็นแค่สิ่งที่ถูกได้ยินอ่าทีนี้พอพออยู่กับปัจจุบันเนี่ยมันก็ได้ยินอยู่เรื่อยเนี่ยตอนนี้ก็ได้ยินได้ยินได้ยินอ่าแล้ววันนี้ที่หลวงพ่อตั้งชื่อก็คื อ, คอสักแต่โอ้สักแต่เห็นสินเนาะเอาตอนนี้เดี๋ยวนี้ปัจจุบันเนี่ยกำลังเห็นอยู่ไม่ก็ไหมกำลังเห็นอะไรก็ได้เห็นทั้งสิ่งที่อยู่นอกตัวก็เห็นได้ แล้วก็เอาเห็นตัวเองกําลังนั่งอยู่หรืออาจจะยืนอยู่เห็นอยู่ให้เห็นอยู่อย่างเนี้ยนี่คือเรียกว่าอยู่กับปัจจุบันเห็นอยู่รู้อยู่ทีเนี้ยมาทําความเข้าใจเพิ่มเติมก็คือว่าคือต้องหัดแยกเนาะหัดแยกให้ออกก็คือว่าสิ่งที่ถูกเห็นทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยไม่ว่าเป็นโต๊ะเก้าอี้พัดลมอันเนี้ยมันเป็นสิ่งถูกเห็นทั้งหมดเนาะหัดแยกให้เป็นว่าอ๋อเก้าอี้ก็อย่างหนึ่งโต๊ะก็อย่างหนึ่ง อพัดลมก็อย่างหนึ่งเห็นไหมเป็นสิ่งเป็นคนละอย่างกันแต่การเห็นเนี่ยยังไงเห็นก็คือก็คือเห็นเห็นเนี่ยไม่ใช่เก้าอี้เห็นเนี่ยไม่ใช่พัดลมเห็นก็คือเห็นนะพอเห็นอย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ยเมื่อก่อนเนาะเข้าใจผิดว่าเราเป็นคนเห็นแต่เอาเข้าจริงเนี่ยลองดูที่ว่าการเห็นเนี่ยมันเป็นเราตรงไหนเออการเห็นเนี่ยมันเป็นเราตรงไหนหรือว่ามันมีแต่การสักแต่ว่าเห็น ไม่มีตัวตนผู้เห็นเนี่ยต้องต้องเรียนปัจจุบันแบบนี้นะมันไม่มีตัวตนผู้เห็นหรือว่าถ้าสมมติว่าโยมบอกว่าก็เราเป็นคนเห็นก็เห็นเราสิแล้วก็จะรู้เลยว่าเราเนี่ยเป็นสิ่งถูกเห็นแต่เห็นเนี่ยเป็นความไม่ปรากฏตรงนี้ยากไหมเอาหลวงพ่อจะถามนะว่าเอาตอนนี้เห็นเห็นโยมลองพูดก็ได้ตอนนี้เห็นอะไรบ้างนะเออลองลองเล่าให้เราฟังดิ ก็เห็นจอโทรศัพท์ค่ะอ่าจอโทรศัพท์ใช่ไหมอันนี้ก็เรียกว่าจอโทรศัพท์มันอยู่นอกตัวเนาะอ่าอยู่นอกตัวแล้วใครเป็นคนเห็นอ่าสมมุติเอาใช้ภาษากันก่อนใครเป็นคนเห็นใช้ภาษาตามที่เข้าใจเลยเนาะตามที่เข้าใจใช่ป่ะตามที่เข้าใจมันจะแบบว่าสมมุติสมมติว่าอยู่คนเดียวนะสมมุติอยู่คนเดียวเนาะใครเป็นคนเห็นโทรศัพท์อ่ะถ้าอยู่คนเดียว มันมาวแบบนั้นหลวงพ่อมันจะปัจจุบันนะปัจจุบันนี้เคยเป็นคนเห็นแหมถ้าตอบตามบาลีก็ต้องก็ต้องบอกว่าเอเราเห็นนี่ตามบาลีหมายถึงว่าเอาโมเมนต์เนี้ยแบบว่าอย่างเนี้หนูเห็นแบบว่ามันเหมือนมีอระวันหนึ่งที่เห็นคือคือถ้าตัวเองเห็นใช่ไหมคะก็จะเห็นถ้าตอบ็เลยครับแต่ว่าแล้วก็เออรู้สึกว่าตัวเองหัวเละแต่ว่ามันจะมี มันจะแบบว่ามีอีกตัวหนึ่งที่เห็นแบบเห็นทั้งตัวเห็นทั้งตัวที่นั่งถือโทรศัพท์ไปข้าใหน้าใครใครเห็นโทรศัพท์ก่อนเนี่ยแตนเนี่ยถ้าเอาว่าใครจะสนโัพก็ตัวเองเห็นนะคะอ่าถ้าตัวเองเห็นนะตรงนี้ดูให้ดีนะว่าตัวเองเห็นแล้วก็พอตัวเองเห็นเนี่ยนึกออกนึกออกไหมว่าไอ้คาว่าตัวเองนี่หมายถึงใครอ่ะก็หมายถึงตัวเราเนาะตัวเองก็คือตัวเราแล้วก็รู้ได้ใช่ไหมว่าตัวเราเป็นคนเห็นหรือว่าเห็นได้ใช่ไหมว่าตัวเราเป็นคนเห็น เห็นได้ไหมเห็นค่ะเออเห็นเห็นไหมเห็นเนี่ยมันก็คือเห็นแต่ตัวเราเป็นสิ่งถูกเห็นไงตัวนั้นจะบอกว่าตัวเราเห็นก็ถูกไหมล่ะตัวเราเป็นสิ่งถูกเห็นไปเรียบร้อยแล้วตอนเนี้ยมันมาแวบๆค่ะหลวงพ่อรูว่าทติวว่าตัวเราตัวเรากำลังทำอะไรเนมาแวบๆเออญาติโยมตั้งหลายญาติโยมตั้งหลายหลวงพ่อพูดแบบเนี้ยคนฟังคนอื่นมันงงไหมเนี่ยมันยากไหมอ่ะ หลวงพ่อก็อยากรู้เหมือนกันแหละที่เป็นปัจจุบันแบบนี้ออในทุกคนที่อยู่ในห้องแสดงตัวหน่อยที่ว่าหลวงพ่อพูดแบบว่าให้เห็นตัวเองให้รู้ตัวเองในปัจจุบันแล้วโยมก็งงงงหรือว่าอาจจะไม่งงอยากให้แสดงตัวทุกคนเลยเนี่ยว่าเข้าใจไหมหลวงพ่อจะได้แก้ปัญหาตรงนี้ว่าหลวงพ่อพูดคนเข้าใจยากยันจับพตัวเพาะนจนบ้าก็คือของของโยมปัรดาเนาะก็คือ ถ้าถ้าเราไปไปติดใจไปหมกมุ่นในเรื่องที่มันเกิดขึ้นอย่างเนี้มีมีสิทธิ์ได้ที่ที่เป็นบ้ากค็คือเพราะว่าเราไม่อยู่กับปัจจุบันเราไม่รู้ตัวเราไงแต่ที่หลวงพ่อคุยตอนนี้คือทุกขณะปัจจุบันเนี่ยต้องรู้ตัวเราทิ้งอดีตหมดเลยมันจะผิดจะถูกไอ้นั้นวางไว้ก่อนแล้วเพราะว่าเป็นแค่สิ่งที่เคยพบเคยเห็นว่ามันมีอาการอย่างนั้นอย่างนั้นแต่บัดเนี้ยมันไม่มีอยู่จริงคือมันหมดไปแล้ว แต่สิ่งที่ต้องรู้ก็คือรู้ตัวเราในปัจจุบันว่าตัวเรากำลังพูดนะเนี่ยตอนนี้กำลังพูดกำลังสนทนากำลังฟังอะไรก็แล้วแต่คือกลับมารู้ตัวเราการรู้ตัวเราเนี่ยเขาเรียกว่ารู้อยู่กับปัจจุบันเน้นมากนะหลวงพ่อจะเน้นในเรื่องปัจจุบันนะเพราะการรู้ปัจจุบันเนี่ยเาเาเรียกว่ามันทำให้มีมีจิตเนี่ยจิตที่จิตรู้เนี่ยมารู้ตัวมารู้กายเราเนี่ยมารู้จิตใจเราเนี่ย มารู้ที่เป็นปัจจุบันขณะเดียวนี้ยแล้วมันก็รู้ตามความเป็นจริงเลยว่าปัจจุบันเนี่ยตัวเรากําลังพูดกําลังคิดกําลังนั่งหรืออะไรก็แล้วแต่มันรู้เป็นปัจจุบันถ้าฝึกปัจจุบันเป็นอย่างเนี้ฝึกให้เป็นไงเขาเรียกว่าฝึกให้เป็นถ้าไม่ได้เรื่องฝึกในปัจจุบันเนี่ยมันก็หลงหลงตลอดเลยหลงยาวเลยตรงเนี้จึงเป็นสําคัญมากเลยหัดรู้ปัจจุบันให้เป็นนะหัดรู้ปัจจุบันให้เป็นไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนยังไงก็หัดฝึกรู้เข้าไว้ แล้วมันก็จะเข้าใจเองว่าการรู้ตัวหรือว่ารู้ปัจจุบันคือรู้แบบนี้คือรู้อย่างนี้ไม่งั้นนะมันมันหลงจริงๆอ่ะหลงไปติดอดีตว่าอย่างมุ้นอย่างนีโ้โหตรงนี้แหละเคยเสร็จเลยอธิบายไม่ถูกอะค่ะหลวงพ่อคือทิ่นทินตัวตรงนี้ก็คือก็แบบว่าเออไอสภาวะไอโมเมนต์ตัวนั้นเนี่ยว่าเราว่าที่ว่าที่ว่ามันคือมัน คำว่าคือปัจจุบันอย่างที่หลวงพ่อพูดเลยค่ะแต่ว่าไอ้สภาวะที่มันเห็นหรือมันมันรู้หรือมันอะไรเนี่ยมันเหมือนกับถ้าเปรียบเทียบเหมือนกับมีมีคนยังไงที่แบบแบบเหมือนตามร้อนเราแต่ว่าไอ้ไอ้คนคนนั้นเนี่ยมันก็อย่างที่หลวงพ่อบอกค่ะมันก็เหมือนกับแบบตามดูเราอย่างเงี้ยแต่ไม่ใช่ไม่ได้ไม่ใช่แบบนั้นเลยนะคะแต่หมายว่าเหมือนกับว่ามีอีกอีกอะไรอีกอย่างหนึ่งแบที่มันมามันมันมันเห็นเนี่ยค่ะที่ ที่เราก็โก้เอ๊ะตเพียนก็บอกว่าแต่ทีนี้เดี๋ยวหลว ง, งก็แค่แค่จุด น, นีิดนึงนะว่าคือตอนนี้เดี๋ยวนี้เนี่ยมันมันเอาตัวเราเนี่ยพยายามที่จะทําความเข้าใจไอ้เรื่องรู้ตัวนั้นตัวเราเนี่ยพยายามที่จะให้เข้าใจไอ้เรื่องตัวรู้เราเนี่ยไอเนี้ยมันใช่ค่ะใช่ใช่มันมันเ<ช>ขาเรียกว่ามันมันผิดด้านอ่ะมันมันกลับด้านกัน ก, ก็คือหมายความว่าเอาตัวเราเนี่ยคิดค้นเพื่อให้เข้าใจ แต่ถ้ารู้ถูกตัวรู้ถูกด้านเนี่ยกลับมารู้ตัวเราเลยว่าไอตัวเราเนี่ยพยายามนะตัวเราเนี่ยกำลังพยายามที่จะคิดหรือจะค้นเพื่อจะให้ได้ความรู้เพื่อจะได้คําตอบคือให้รู้ตัวเราเลยตอนนี้เราไม่ต้องไปหารู้เราเนี่ยไม่ต้องไปหาไอตัวที่กําลังหาแล้วก็ให้รู้ตัวเราว่าตอนเนี้ตัวเราเนี่ยยังคิดค้นอยู่ไหมหรือว่าหยุดแล้วหรือว่าตัวเรานิ่งแล้วตัวเราไม่พูดแล้วตัวเราหยุดคิดแล้วให้ดูตรงนี้ ไม่อย่างนั้นนะมันโหยไม่สําเร็จเลยมันจะ <c oughs> มันจะวนไปใหญ่เลยแล้วก็ไอคิดแบบนั้นมันก็ไม่มีทางที่จะรู้จริงได้เพราะว่ามันมันไม่เห็นตัวเองไงไม่เห็นตัวเราที่กําลังคิดกําลังค้นกําลังหาอยู่นะตรงนี้ยหลวงพ่อก็เลยตอกย้าว่าให้เห็นตัวเราเห็นปัจจุบันว่าตอนเนี้ยตัวเรานิ่งแล้วตัวเราหยุดแล้วอย่างเงี้ยรู้ได้เนี่ยว่าเออไม่คิดค้นแล้วเนี้ยมันก็รู้เราไงตอนนี้ยกำลังรู้เราแล้ว กำลังรู้เราอยู่เดี๋ยวจะเข้าใจเองว่าคําว่ารู้เราคือแบบนี้ไม่อย่างนั้นะเราไปรู้เขาเนี่ยมันเหนื่อยมากนะเนี่ยนิ่งแล้วเนี่ยนิ่งแล้วรู้เลยรู้ตัวเราว่าตอนเนี้ยนิ่งแล้วเราไม่พูดแล้วเนี่ยแล้วก็สักพักหนึ่งเดี๋ยวมันก็จะรู้ว่าส ง, งบแล้วเห็นไหมมันก็จะรู้เราไงว่าเออส ง, งบแล้วจิตส ง, งบแล้วเออไม่อะไรเนี้ยตรงนี้ให้ได้นะที่หลวงพ่อแนะนําอ่ะใช่อ่ะค่ะ เออใช่มันซ้อนซ้อนไปหมดซับซ้อนเคยเคยนั่งจ้องจ้องลูก ป, ป้นสมเด็จโตค่ะนานมาแล้วนะคะก่อนที่จะมาลองวิธีเนี้ยนั่งจ้องสมเด็จโตจ้อ ง, จ, องจ้องแบบแตบบ่ไม่ได้คิดอะไรนะคะอือยู่ดีๆไปมีคำว่ า, านิ่งขึ้นมาในสมอบนิ่งขึ้นมาอ่ะพอหลวงพ่อพูดคำว่ า, านิ่งที่แบบเออคงเพิ่งเก็ตว่าว่าไอ้นิ่งนี่มันคืออะไรอเออนั่นน่ะนิ่งคือหยุดไงคือนิ ลองๆนะลองฟังหลายๆครั้งเ ด, เดี๋ยวจะเข้าใจมากขึ้นเองตอนนี้มันก็เป็นธรรมดาเนาะเป็นมัน ส, สิ่งใหม่บางทีอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยในภาษาแล้วก็อะไรเนี่ยมันก็งงๆแต่ว่าเมื่อฟังบ่อยๆแล้วหลวงพ่อชี้บ่อยๆให้กลับมารู้ตัวเนี่ยเดี๋ยวก็จะชํานาญชํานาญในการรู้ตัวแล้วก็มันจะคือตัวเราเนี่ยจะไม่ดิ้นหาอะไรแล้วเพราะว่าเหมือนกับว่ามันรู้ทางแล้วนี่เหมือนกับว่ายิ่งคิดเท่าไหร่ยิ่งยิ่งไม่รู้อะ งั้นตัวเราก็นั่งเฉยๆนั่งฟังพอนั่งไปนั่งมาก็มันจะมีอีกสิ่งแหละมารู้ตัวเราว่าเ อ, อ้ยนี่มันนั่งเงียบแล้วมันเงียบแล้วมันนั่งเงียบแล้วมันไม่พูดไม่จาแล้วเห็ไนไะ้ยมันก็จะเห็นแจ้งในตัวเราไงขอบคุณค่ะ